คนดีมีปัญญาทีเ่เรียกว่าบัณฑิตหรือสัตว์บุรุษนี้เมื่อใครไปเสวนาคบหาหรือเมื่อเขาเองทําหน้าที่เผยแพร่ความรู้หรือความดีงามแก่ผู้อื่นชักจูงให้ผู้อื่นมีความรู้ความเห็นถูกต้องหรือให้มีศรัทธาที่จะถือตามอย่างตนอย่างใดอย่างหนึ่งจะโดยการสั่งสอนการแนะนําหรือกระจายความรู้ความเข้าใจนั้นออกไปทางหนึ่งทางใดก็ตามด้วยความปรารถนาดี ด้วยความเมตตาการุณาก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิและการประพฤติดีปฏิบัติชอบขึ้นก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรในแง่ที่เป็นผู้ซึ่งคนอื่นควรเข้าไปคบหาเสวนานอกจากจะกำหนดด้วยคุณสมบัติต่างๆเท่าที่ได้กล่าวมาแล้วอาจพิจารณาจากคุณธรรมหลักเพียง4หรือหประการที่ท่านกล่าวไว้ในความหมายของกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรตา คือความมีกัลยาณมิตรนั้นท่านแสดงความหมายว่าได้แก่การเสวนาสังเสวนาคบหาพักดีมีจิตฝักใฝ่โน้มไปหาบุคคลที่มีศรัทธามีศีลมีสุตตะคือเป็นพระหูสูตรมีจาคะและมีปัญญาในบรรดาคุณธรรมหอย่างนี้บ้างแห่งท่านแสดงไว้เพียงสี่อย่างเว้นสุตตะแสดงว่า สุตะมีความจําเป็นน้อยกว่าข้ออื่นอีกสีข้อและท่านขยายความเชิงแนะนําว่าเมื่อไปอยู่ในทินใดก็ตามก็เข้าสนิทสนมสนทนาปราศัยถกถ้อยปรึกษากับผู้ประกอบด้วยศรัทธาผู้ประกอบด้วยศีลผู้ประกอบด้วยจาระผู้ประกอบด้วยปัญญาศึกษาเยี่ยงอย่างศรัทธาศีลจาระและปัญญาของคนที่มีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนกัญยาณมิตร ในแง่ทำหน้าที่ต่อผู้อื่นสมควรมีคุณสมบัติพิเศษจำเพาะสำหรับการทำหน้าที่นั้นอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานที่เรียกว่าการยานมิทธธรรมเจ็ประการดังนี้ 1. ปิโยน่ารักคือเข้าถึงจิตใจสร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวนใจผู้เรียนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่าถาม 2. คารุ น่าเคารพคือมีความประพฤติสมควรแก่ฐานะทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย 3. ภาวนิโยน่าเจริญใจคือมีความรู้จริงทรงภูมิปัญญาแท้จริงและเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอเป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ทำให้สิทธิเอ่ยอ้างและรำลึกถึงด้วยความทราบซึ้งมั่นใจและภาคภูมิใจ 4. วัตตารู้จักพูดให้ได้ผลคือพูดเป็นรู้จักชี้แจงให้เข้าใจรู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไรขอให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดี 5. ว่าจนักขโม ทนต่อถ้อยคาคือพร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามแม้จุกจิกตลอดจนคำล่วงเกินและคำตักเตือนวิพากษ์วิจาร์ต่างๆอดทนฟังได้ไม่เบื่อนายไม่เสียอารมณ์คุณสมบัติข้อวัจนะขโมนี้ในบาลีท่านหมายถึงคนที่อดทนต่อคำพูดของผู้อื่นคือรับฟังคำตำหนิวิพากษ์วิจาร์ได้และพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนในบาลี ยกย่องพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างของผู้มีคุณสมบัติข้อนี้และพระอัตกฐกถาจารย์ยกเรื่องมาเล่าไว้ว่าบางคนให้อวาดแก่คนอื่นได้แต่พอถูกเขาว่ากล่าวาบ้างก็โกรธแต่พระสารีบุตรนั้นท่านทั้งให้อวาดแก่ผู้อื่นและเมื่อตอนเองถูกว่ากล่าวก็รับด้วยเสียงกล่าวมีเรื่องเล่า ว, ว่าวันหนึ่งสามเณรอายุเจขวบบอกกับพระสารีบุตรว่า ท่านนุ่งสบงปล่อยชายหย่อนยานไปท่านก็รับฟังด้วยดีและไปนุ่งใหม่ให้เรียบร้อยกัญยาณมิทธธรรมข้อต่อไปคือข้อ6กคำพีรัญจะกระถังกัดตาถแถลงเรื่องล้าลึกได้คือกล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้เข้าใจได้และสอนสิทธิ์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกัญญาณมิทธธรรมข้อสุดท้ายข้อ7 โนจัดฐานเนนิโยชเยไม่ชักนำในอาถานคือไม่ชักโยงไปในทางเสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหลไม่สมควร